ศาสนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็ยนศาสนาบกผู้ปฏิบัติศาสนาบอกข้องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนามไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะขณะใดมีศาสนามันก็ติดมีปัญดาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็ยน ในขนาที่ ป, าปราบปรามกับโจนผู้ร้ายภายใน จ, ใจิตใจซึ่งเราเริ่ม ป, าปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากไม่จะแพ้หนึ่งแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้ไปลังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีขอที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจ เป็นขั้นขนความยุ่งยากความลําบากในการปฏิบัติแต่พออย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นนยากไปอยู่แบบนึ่งคือยากไม่เห็นต้นเห็นกลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะจากตำหนักตำลาหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยพอมูปะปะก็เอามาปฏิบัติตอนนี้แหลยาก ความที่อยากรู้อยากเห็นของมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้นี่ก็เดือดร้อนอันหนึ่งนี่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจใพุ่นยังไงความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้นตังกระแต่มายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามความเดือดร้อนเสียใจมันอคืนน้านัาง่งน้ําตาล่วงอยู่ก็มีมาตำหนิตัวเองนั่นแหละว่าอํ า, า, านาจว่สนรน้อย มามาบวชแล้วขนหนักศาสนาท่านบอกว่ามันนั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยิ่งนั่งตัอยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุนแต่ผลลายได้โดยไม่คานึงถึงงานที่ทําว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกําลังเมื่อไม่สมหวังมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคํานึงถึงการปฏิบัติของเรา ในงานของเราที่ทําว่าถุยึดหยุ่บ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นนี้ความอยากอันนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางเลยอยันนี้ภาวนาไปกาหนดอะไรก็มีแต่จะให้ดูให้เห็นว่าผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนิสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นพรมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพนานพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไ ป, าไปแล้วความอยากมันก็ดุนแรงอยากดูอยากเห็น จะพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวนี่มันจะอยากก็จะ ย, ยืนอยากหนีเสียงยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาอะไรแบมันไม่ทํางานกับภาวนาเอ่ามีแต่ความอยากเดินจนกล้มมีแต่ความอยากลืมงานที่ทํามันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจุดที่หมายแล้วจะตึบทึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้ว ล่ำบากตอนนี้พอนนัพุโทโธพุโทนะพโธน่ะพพุทโธคือความอยากมันกระแทกเข้า ม, มาไม่ต้องอยากรูก้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันด้เพลินแต่กับความอยากจะมันลืมงานแต่ของแล้วทีนี้ผลดูท่านมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจ อ น, นี้เป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับจุดที่มันเสื่อมแม่จิตเส่อมร้อนมากจริเพราะเคยเห็นเหตุเห็นผลในรับความสะดวกสบายสงบเยืองเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วก็มาเส่อมไปเสียปิตินี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนเจะ ม, มีที่ยับที่ยั้งดีอยู่างหนึ่งด้ยอ่ร้อนมันก็ไม่ถอย มันจะจะเอาให้ได้ทานเดียวท่าว่าจิตถอยอยู่อ่อนกําลังลงมาเสียหรือทอดอะไรเสียอนนี้มันก็หมดท่าหมดฝังเลยแค่นี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยมันจะจะเอาให้ได้อย่างอันนี้ก็ที่มันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวแล้วได้ก็คพราะความอยากนั้นเนีลยไม่ใช่อะไรนะความความอยากถ้ามันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่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 ในขณะที่จิดเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะให้ทราบตรงไหนความร้อ น, นการบวชศาสนานี่มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิดเสื่อมลงไปทํำไรก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักต า, างตากวดว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลย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 อยากก็อย่างนั้นอ่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้อันนี้จะความอยากความอะไรอาวรณ์คืนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปรกลาดอัตตาภานจิตใจจะได้หายไปเสียมีแต่ความเส้ยใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากเฉยมันก็ไม่สามารถที่จะยังทําที่หายไปนั้นคืนมาได้ที่จกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากทุก ส, สิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุะระทีน่ะทัดธุระลงในหน้าที่อันเดียวเท่เนี้ยเรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกแสนทุ ก, กความอยากก็ไม่เห็นแท้อะไรทีนี้หมาเอาไหมล่ะตอนมันเคลื่อนหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดีย๋ยวเร า, าจะพูดโ ท, ทั้งน่นี้อยู่ในที่ใดประตามทีม่มันยอมให้เถอนเอาควาจะไม่รู้จริงๆเหรอ ปไปไหนก็เป็นอพอทอดภูลานแล้วความความอยามันก็ไม่รุนแรงที่นีความทุกข์กค่อยเบาลงไปนีตั้งหน้า ท, าทยยํางานถูกไหกับพุทโธงั้นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่อยอมให้เผลอพยายามอยู่งั่นอ่ะปัดกวาดลานาดัลนมัดลันมาปันนี้นพยายามระมัดระวงังถึงเผลอไปชั่วขนะ มันก็ทำนะมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีพอทอดทุลาแล้วจิตมันก็มาไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธนอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็ฝุดแล้แต่พุทโธจะโดยบันดาลให้นี่ก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลง มอมันลงแล้วพุโทโธไม่จาเป็นปล่อยสักทีหนงทีนี้มันลงนะเองแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วกับคาว่าพุโทโธนั่นมันก็ไม่จําเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั้นแหะพอถอนออกมาก็เอาพุโทโธอัดเข้าไปไม่หวังเกิดแล้วก็ไม่หวังเห็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเป็นโทษของความหวังแล้วเอง คำหลังแบบเอาเปล่าแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทํางานเอาที่นี่จะทําแต่งานทำแต่งานเมื่อได้รับการบํารุงการรักษาดโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นเข้าไปแ น, น่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าอืาอีกแปลกละเอาถึงระดับเก่าก็คอดอะไรก็อย่างนั้นหยุเช่กนกันอ่า มันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วกเสื่อมไปเถอะจะพูดโทษจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจําพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมน่าจริงแน่วแน่ลงไปโดยลำนแบบักแน่นหนา ม, มันคงขึ้นโดยลแบบํำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบ า, เบาจิตเบอใจโล่งไปหมดอะทีนี้ไม่เสื่อม ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วสิเสื่อมไปก่อนเพื่อนสองสามวันก็ก้าวถนั้นสอง้าวันนั้นลงห้วบเลยหมดพยายามบำรุงอยู่ตั้งสิบสี่ถงห้าวันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างปุบ ป, ปับปุบปับหมดแล้วแต่ความเสียใจแป้มหัวใจท่านี้ปล่อยจะเสื่อมไก็เสื่มสมอมไปเถอะ เคยหลังแล้วไม่เคยประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้คือพูดถึงเรองความทุกข์ทุกข์มากจริงๆแต่เดชะอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยนี่จะจะเอาท่าเดียวเนี่ยพอทนทอสู้กันได้นะว่าถอยเลี้ยงดีจะดีกว่านี้ก็เป็นระลอกหมดไปเลยไี้ถ่านนั้นมากัน เลื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคําบริกรรมพราวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแหะความรู้นั้นแหะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดวยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้เิงอ่าที่นี่ไม่บริกรรมก็ได้ท่อดเด่นตลเวลากําหนดตรงนั้นเลยตไปไหนกําหนดอไปตรงนั้นรู้ตรงนั้น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 นี่เป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทิเล่นใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดรุ่งนั่งาจากนี้ละทิเริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนด ก, กันลงไปกำหนดไปลงไปที่แรกมันก็นลงถ้าไมเคยลงมันลงนง่ายๆเพราะว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดทานาลงไปเมื่อเวทนา อันใดหลวงมันยังไม่เกิดมานะพอหนามก็สงบพอมันถอยขึ้นมานีมันก็หลายชั่วโมงก็ไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล่มไปหมดฐ <c oughs> านดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนทับคนร่างกายชันแล้วหมดทั้งตัวนี่แหละตอนในข้อตะลุมบอนกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายต้อัน้งบันขึ้นมา ตอนทุกเวทนาคือคือนันนั้นก็ยังไม่สั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งปัจจัยฐาในใดเลยนั่งธรมรมดาธรรมดาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ้ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุเป็นผลปรเวทนาในวันนี้เลยตั้งชัดเจนในขณะนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ลุกขึ้นเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่วันนี้จัพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันทันที ไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายแล้วถี่ไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยที่นี่นีตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญาจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงจริงมันหมุนเตี้วเลยปัญญามันออกโู่กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดขึ้นคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้เนี่ยคนถึงมันทุเกวียนนาคิดเห็นเวลนาเกิดขึ้น หมังๆนี่มันเป็นไฟเป็นหมดทิเดียรมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเป็นาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทังกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออไปมันพอๆกันเวลาทุกเวทนาพอๆกันทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายที่พอๆกันหมด ไม่ทราบจะประยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์อีกแล้วขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข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 นเหมือนแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่นานนะมันวิ่งตลอดหมุนเปี้วเปี้จนค้อนลงําคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี่ถึงตัวเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนระส่ำระส า, สายอะไร น, นะแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดว่าทุกข์มาก มันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมีอยู่มันต้องเข้าปสารกันแต่แม้เชนนั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเวทนาว่าเป็นนั้นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี้นี่แล้วสรุปไปเลย น, นั่นนี่แต่มันเล่นกันอยู่นั้นไม่ทรกี่ชั่วโมงักะลุมอล พอมันชัดเข้าจริงๆแลเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินของมันอยู่แค่นั้นเวทนาสักเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนะี้เจ้หวังหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่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 แล้วแต่ความสักแตวรู้แบบคิดแบบปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปนี่ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยืขย่อนอะไรทั้งนั้นแนวความที่แนวอยู่ในลำพั ง, งตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชานะเพืออวิชามันก็แนบอยู่นั้นแหะเพราะจิตยังไม่ถอนอวิชาแมันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชาซึ่งไม่ออกไปทํางานคุญนจสงบตัวนั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดผู้เคารน่าไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักจะว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักจะว่าปรากฏสิ่งที่สักจะว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขนาดนั้นมันก็อยู่กับนั่นแนว ไม่ขยับขยื่นภายในจิตใจมันก็ะเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแนวนั่นจนกระทั่งพอเปล่การแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันก็เพื่อมยัดจะหายเงี่ยไปก็ะเพื่อมมันเป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่อมยัดนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยับมันก็ดับไปพร้อม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 ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเแค่เท่านั้นทุกก็ไม่มีความหมายอะไรจริงมันรู้ทัากายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราดีนอกจากที่กราให้ความหมายมันแล้วก็เอาทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเจนอ๋อพอตื่นข้ามานี่ใหม่มันห้าวหานอยากจะิกกล่าวเพียนพระอาจารย์ไป มัเนเกิดความห้าความหานอะไรพูดไม่ถูกเพาไม่สั่นก็ไม่เคยเห็นอาการแบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมามันทำไมเคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอา่ามหารัรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหานมาแล้ได้พิจารณาอย่างนั้นอย้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วห่ะมันรู้ทันถึงจะเป็นขึ้นข่าวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าพิรุธก็ทุกหน้าเก่า กายก็การอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยท่าอยู่นี่ไม่กลัวตายจน ถ, ถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกเรียกว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าจะทํามันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเปรียบเทีย บ, ยบถึงคาตายก็เอาเธอวางนั่นเจ้าทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันเท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันจะออกมากน้อยหนัก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 เรื่องได้ทุ่งลงขนาดนั้นแล้วไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลย ม, นนมีแต่ความบอกช้าภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี่ ม, มันไม่กลัวะจะกลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปจนกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตาย ผลผลด้วยฟันหนังเงินก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อไหร่สลายแล้วไปได้เป็นยังไงกาหนดตามก็แนวลงไปสู่ธาตุดินของมันธาตุน้ําก็แนวลงไปสู่ธาตุน้ําตามเดิมธาตลมธัดไปลงไปสู่ธาตุดินของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรทิพไหนี่จะเพียงมาธาตุเหล่านี้มาประชุมเพื่อมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยจิเข้าไปสิงตัวเจ้า มหาหลงนีเขาไปสิงเขาฉะนั้นเขาไปแบกเอาหมดนั่นมาเป็นตัวของตัวกระจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึงไปกรัวทุกข์นั้นด้วยความสําพัญนั้นขึ้นมาเผาหลนตัวเองเท่านั้นมันมีอย่างอื่นนะตัวจิตนี้เองเป็นนักโทษนะั่นธาตุขันเขาไม่เป็นนักโทษก็ไม่เป็นตัวฆ่าสิอะไรแกเราเลยเขามีความคิดของเขาอย่างนั้นแต่เราไปแบกไปหามไปตำขัญต่างหาความทุกข์เป็นเราทุกข์ผิดขึ้นมาเองสิ่นงนั้นไม่ได้ผิดให้เราไนะ ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แกเรามันเข้าใจเราเองเป็นความสําคัาผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์กค็กคือความต้องการผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มาเผาลวนจิตใจให้เด่นร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตนั้นก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุพิจารณาลงไปลงถึงธาตุเดิมขเขาเต็มส่วนนะจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนาตายอะไรตาย อาการเหลนั้นมันก็ไม่ตายถ้าตุที่ดินน้าลงไฟก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายเป็นไงจิตยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรนึกหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งขับตั้งกันคําว่าหลอกใชไมเนี่ยหมายถึงเลื่อนปีาหลอกเพรบความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโรกกลัวตายกลัวเพเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ชอบอะไรตายมันไม่มีอะไรตาย ต่างอันต่างจริงอีกอย่างเท่านั้นรู้ชัดเตือนจิตนันก็อาจหานเห็นความจรจันทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงจิงทั้งทั้งทิ่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเปลวไปถึงเมฆนั่นความทุกข์ความร้อนเป็นคุณเป็นพลันภางในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญา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 แล้วแต่ความรูดเวลาทำกัตัวเองล้วลนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้เสียสักการจากการที่นานว่าพอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นทักเกินนะอธิกันถ้าลงใกจิตได้ถึงแต่เป็นเชนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิต เช่นั้นนี่มันก็ทําให้อย่างถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระปฏิบัติพระท่านเข้าชั่มนิโรธสมาบัติเจ็ดวันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเลยหรือแต่ความล้วนทึ่งศักด์แต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการอาักฐานที่จะไปเกี่ยวข้องจะนั่งหรือตั้งการตั้งการเขนั่งเธอนั่นไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างการมัน มันทนไม่ไหวมันจะแตกเขาสลายไปเฉยๆนี่ยโดยไม่ต้องต้องเตือนธรรมชาตินั้นเลยงานจิตมันยอมรับเลยเชื่ออาจารย์คนี้รวดสบัติได้เท่านั้นเลถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวออกมาสู่อะไรๆแล้วเข้าไปมันเป็นอย่งนั้นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวล า, าร่างกายมันจะพีทุกที่ไหนมันไม่มีเลยร่างกายมันมีในความรู้สึกเทีนาเขายมีในความรู้สึก ได้ความรู้ล้นล้วนนั่งเราตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้อนะีกน่ะนี่ก็ทําให้เชื่อถึงเรื่องพระโอษฐกุลิจ้าท่านเข้านี้รธสมาัติโดยถือนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่นั่งในนานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นทั่วรายะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสุงญโรคสมาบัติได้เป็นเวลานาน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 เป็นภูมิเต็มฐานของความสงบเท่านั้นเพราะปัญญาค้นพวอย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างอังองค์อาจการหารรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวนาพังจิตที่เป็นปเดิ่มกำลังสมารถที่กำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแนวอย่างเท่านั้นมันมันไม่ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี่ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าเราในตะลุงบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบ จะต้องสงบเต็มที่อย่างที่เห็นเห็นนี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารหรือเป็นเชื้ออันสําคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญทิ้งไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเป็นเห็นก็เห็นกันดั่งชัดเป็นในขนาดที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั้นแหล มีสัจจะพุทโอันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะเพราะว่าขันสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นหลังนั้นมาก็เลื่อยเลื่อยพิจนาเลยออกทางด้านปัญญาเนี่ยมันถึงกยากขา ย, ายายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็วย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลาดับลำดัแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามา เข้าวงแคบมาเรื่อยนเรื่ยๆเราทึ้งคาดทิ้งขันแยกคาดแบ่งขันที่นี้มันจะมันจะเป็นสมมติเหตุตปหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในเาลาต่อมาอันนั้นมันมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานดินกันได้ต่นนั้นในเวลาที่เราพิจารณามันยังไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมมติเศหตุตปหารเวลาพิจารณาทางด้านพยานนี่มันเข้าใจจะทันแล้วมัน ขาดถอนออกจกันขาดออกจากกันขาดกันเปลําดับๆขาดไม่มีที่ต่อขาดไปโดยลํำดับลำับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเห็นรู้ก็ขาดไปจากความยึดมั่นโดยธนาธัญาสังขารังยันขาดจากความยึดมั่นทั้งมันคือความั่นทั้มันเี่ยขาดจากเขาประทุกเนี่ะขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือผิดข่าอวิชชาฝังจมอยูภายในนั้นโค้นเข้าไปไอ้ให้แหลก ควันให้แหลละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันก็หนอยนั้นก็แตกพอนั้นแตกไปแล้วหมดความอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดนรู้แล้วจึงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับห่ะหรือว่าเป็นจะพูดถึง้ฝ่าย่าดีก็ดี แต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำรายละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับปวิชานะมันจะดีแท้ไม่ใชดีที่บริสุทธิ์ดีแต่ปนอยู่กับทั่วกับทุกทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่มันจึงต้องจัดนายเข้าไปอยู่ที่จนแหลกละเอียดภารกิจอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรแปรปวนอยู่ภารกิจชําระเอาให้หมดแก้หให้หมดฟอกใหก้หมดจ็ไม่มีเหลือแล้วหมด ถุดหมดดวงถึงสมมุตินิยมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วก็ความรู้สึกโดยสุดต้นล้วนนี่จึงไม่มีสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้แต่อาจารย์ไมมาอาจารย์เราไม่ลองพูดกันพูดจะทำอะไรมแต่การกล่าวมาท้นี่ มันยากหรือไม่ยากก็ข อ, ข อ, อพิจารณากันถึงขั้นจะจะเสศไหลาบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พิจารณามันกล้าธหัสจริงๆเหมือนกับจะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่เลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยส ต, ติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของส ต, ติปัญญาแล้วกินไม่จนกรอบถ้าเรานํามาใชา้คนเราไม่ได้โง่อยู่เสมอไปเมื่อถ้งถ้าจนกรอบแล้วต้อง ช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จหมหนีเฉยทั้งๆที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก้หรืมีช่องทางพอที่จะเลื่อนอดออกมาได้พราอที่จะบุกบืนกันหน้ใครจะยอมตายจหมหนีเฉยจมพูดเฉยต้องหาทางออกจนหน้านี่งมัเมื่อทุกขเวทน า, ามันเข้าเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกขเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าอย่างนี้จนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักที่สุดนอกที่เวทนา ถึงขาดจนกรอบนั้นมันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจต็มได้กับพระเจ้าท่านทึงสอนให้เราดูในที่สําคัญสําคัญซึญ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองคุณเลยงานเผยเฉล้สติปัญญาจะได้ทํางาน ใ, นให้เต็มไม่เป็นหน่ยพยแูดต้งการสถานที่นั่นก็ช่วยสติปัญญาเกิดได้ถ้อยู่ในที่ภูกรัว สติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจานาอะไรมันก็ค่องแคล่แก้วกล้าถ้าได้ ย, ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยดัยงนั้นเปนธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดหน่วยนายเนี่ยอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทเองนอนเหมือนหมูอีกแล้ว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 เป็นเครื่องส่งเสริมเ้วยเครื่องสนับสนุนความภาคเพียนเราได้ดี <c oughs> อยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่ยนี่มันโอ้อะไรกร็ปนลือไปหมดอาหารการขบการฉันกัดล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส่มน้ำหวานโกโ ก, ก้กาแฟอาหารหวานข้าวลหลังไหลมาตัดทิศ ต, ต่างๆถึงถ้าผู้ไม่มีสติปัญญานั่งก็นอนกอดอาหารนี้เพ่ วางเลยส่วนทำมั้นไม่มีหวังที่จะได้ครองเลยผมมีทัศคติปัญญาต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาบาฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนกัด น, นี้ก็ยังมีต้องท่าระวงังเขาไปอยู่ในที่เช่นั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันฟิตมันต่ออีกแบบหนึ่งะจะเอาอะไรมาอยู่ก็เฟ้อลายก็มีแต่ขาดขาดขึ้นขึ้นบกบบกฟ่องฟ่อง ถ้ามิจฉาบมาบางวันก็พอวันก็ไม่พอก็ไม่มีตัวตวิจารเพราะอดมากี่วันก็เคอยอดเนี่ยจะไปตั ว, ตวอะไรแตเพียงวันสองวันไม่ได้กินอะไรนันไม่ตายเนี่ยไปยั้นเทียนันก็เป็นกังวลอาหารกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีจะเข้าวัวป่ากันเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่มี อ, อะไรกินไหมที่จะอะไรหากลับที่ไหน ข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินไปข้าวเป็นไรไปเรากินเก่ากินมาพอเรื่องเห็นิเศษวิโสอะไรวะเนี่ยจหาทำมันวิเศษ จ, จะมาคอยยุ่งกับเรื่องการดูการกินไม่อย่างเลยฮะนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะนแก้มันไปได้ปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊เนี่ยมันก็ไม่มีกังวลผลสุดท้ายไมมีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขโดยเองนั่วมาก็ฉัน มารทำเรื่องเนี้ยข้าวทันกลมหมุนเตี้ยวปน่นั่งนั mm. ่งทนนาก็ไม่ง่วงอาหารในม่านก็ไม่ง่วงเลยยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบ่บายเนียอุบายท่านเพื่สอนท้าทานในไปทำยุคขโมยเส้นนาสนังบ้างฮะเขาอยู่ในส่าในเขาทำรับภัยผีเปรียวที่น่ากลัวอาหารสับปลายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ แล้วถ้าศันร์ให้กำเนิดเป็นโลกเป็นภัยมายานกีให้กำ เ, เนิดหนึ่งเรียกว่าอุอาหารสัตปาจะหารที่สบายนี้เข้าเป่าภาวนาดีก็าหารเป็นที่สบายก็หลังหนมั่งมากนี่จะาหารนมีจะกลับดีๆกินอะไรแล้วนอนอเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแล้วก็สบายของกิเลสเลยมันไม่สบายของอัดของทำสบายเรื่องของกิเลสเรื่องงูตัางหากเนี่ยขมหาสัตป่ายานต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จาก การขันขันน้อยๆมันเกิดประโยชน์ันน้อยๆความงงๆนอนมันั่งเพาะหน้ า, าที่ไหนแนวไปเลยแนวไปเลยถ้าเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาก็หมุนจิ้วหมุ น, เนไเลยมันเข้ากันแก้วทำมักจะเกิดในที่กาดแครในที่กันดานในที่เินกรอบจนมุมไม่เกิดในที่รั้วเปลือยไม่ไม่เกิดในที่โกลมกื อ, อ ไ, มไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจแบบนั้นแหละ อ่านทุ่มสอนมันเป็นอย่างนั้นพตะพุตธเจ้าก็ อ, อยู่หอประสานรากมุนเทียน ม, มานานเท่าไหร่ลาเสด็จออกตรงขณวดใครก็ได้ทุกยิ่งกว่าพุทิเจ้านั่นคุทธะก็เกิดในที่เชนนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมังมีแล้วราออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธินิพุทธกินรสของพระเจ้าแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ทาย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 ทำก็ไม่เกิดขึ้นทุกมีมาก็เป็นหินลับตัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเป็นในเรื่องของทุกก็ตัวรอดแต่ได้เป็นยอดคนอะะารัตีวังนะ